ก็ความเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณกำลังประรบถึงเรื่องศรัทธาตามพระพุทธธรรมรัตนทีสัตแก่สา ม, มดีผูมว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำมารัธนาของท่านจนทั้งหลายผู้ต้องการฟังจงน้อมศรัทธามาเถึด ก็ได้พูดเรื่องศรัทธามาตามลำดับและ ว, วันก่อนก็ได้จำแนกศรัทธาออกไปหนึ่งประเภทจะเรียกว่าภาษาทัศสัทธาคือศรัทธาที่เป็นความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพื้นฐานปกติของคนทัว่วไป ประการต่อไปนั้นท่านเรียกว่าโอกลับปัรสัทธาโอกลับปณสัทธาคือเป็นความเชื่อความเลื่อมใสที่หยั่งลงมั่นคงในวัตถุในบุคคลในสิ่งที่ตนให้ความเคารพนับถือก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่หนักแน่นเพิ่มขึ้นไปในจิตใจของผู้มีศรัทธา ประการต่อไปเขาเรียกว่าอกรรมสั t a k คือศรัทธาที่เกิดจากหลังจากนะครับได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้สัมผัสกับพระพุทธเจ้ามันเป็นศรัทธาที่เข้าถึงผล ก็มีความหนักแน่นมัかか่นคงมากยิ่งขึ้นเคยพบคนบางคนทีーー่เขาเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาที่คุ้นคุ้นกันมาก็มีอยู่หลายคนก็นับถือศาสนาอื่นมาก่อนบางคนก็มาบวชอยู่ที่วัดเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่า ที่เขเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะก็ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กันโดยเหตุโดยผลมีประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆมาเทียบเคียงแล้วเห็นความดีงามของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเขาจึงเปลี่ยนมาเข้านับถือพระพุทธศาสนา บางคนมาด้วยการมีปัญหาด้านจิตใจาทางทําใจสงบก็มาศึกษาปฏิบัติสมาธิสม า, สมสม า, ากกรรมาฐานในส่วนใหญ่แล้วก็เกิดได้รับผลจากการศึกษาจากการปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนมานับถือ ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไปพลังเองที่เปลี่ยนศาสนามานับถือพทธก็เหมือนกันที่รู้จักคุ้นเคยกันนะฮะเจะผ่านการศึกษาแล้วก็ผ่านการทดลองปฏิบัติพอได้รับผลแล้วก็จะเกิดความหนักแน่นมั่นคง แต่ระดับนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันนะฮะว่าจะอยู่ได้ตลอดไปก็เคยพบ พ, พวกฝรั่งบางรูปเก่งมากคือเราต้องยอมก็เลยว่าเก่งมากแต่ในที่สุดมันก็ไปเราสกขาลาเพศเออกไปแต่ก็ยังเป็นพุทธนยฮะเพียงแต่ว่า คือผลจากธรรมะเนี่ยถ้าสัมผัสได้ไม่ลึกเราเรียกว่าต้องต้องถ้าแน่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าจะไม่โยครอนมันไวจริงๆเนี่ยมันต้องเข้าถึงระดับที่เรียกว่าบรรลุมัผลเป็นพยาบุคคลก็คือสถาประเภทต่อไปเรียกว่าอาธิคมาทธอธิคมาศัทธา คนบางคนขีดเขียนตำหรับตำนาเอกสารทางด้านโวุตถศาสนาได้ลึกซึ้งแต่ในที่สุดก็ศึกแต่ไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนศาสนาก็ยังเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดเอาใจใส่ในงานระศาสนาดีจุระดับนี้ก็พอรักษาตัวให้รอดได้แล้วนะ เพราะว่ามันจะเชื่อตามหลักคือเชื่อกฎของกรรมเชื่อผลของกรรมและเชื่อการทิศตะลางหลายเป็นภูมิกรรมเป็นของของตนตรงนี้ที่จริงดูง่ายเพราะว่าเป็นสัมผัสตรงภายในใจเราเพราะสิ่งนี้เรามองเชื่อมโยงก็จะพบว่าได้มาจากศาสนาในคราวหนึ่งมาทำโครงการแปลพระไตรปิฎก อัตกรถาคือเฉพาะที่ยังไม่ได้แปลนะฮะที่แปลแล้วก็แล้วไปก็ได้เชิญครูบาอาจารย์ที่จบเปรี่ยนก้าประโยคส่วนใหญ่นะมาประชุมกันเป็นจำนวนมากก็ร่วมห้าสิบท่านแล้วก็ตั้งคำถามว่าขอให้ อาจารย์ทั้งหลายได้ช่วยหลับตาคิดดูว่าเรามีวันนี้ได้เพราะใครมันก็ถามคล้ายๆกับตั้งคำถามที่เจ้าหนครเชียงใหม่ทำสีปราดนะแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาเนี่ยหมายความว่าความเจริญก้าวหน้าความสาเร็จต่างๆนี่เราได้จากที่ใด ก็มีอาจารย์ทองสืบสุภมาศท่านเป็นป ร, รียนธรรมเก้าประโยชน์แล้วก่อนจะสึกไปก็เป็นราชากณะแล้วก็เป็นผู้แทนเป็นหลายๆตำแหน่งท่านบอกว่าได้มาจากพระพุทธเจ้าทุกคนก็เห็นด้วยเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็ลูกชนชั้นกันมาชีพก็สู่ชีวิตมา ก็ปีนบันไดสวรรค์กันมานะฮะเรียกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็นานแล้วพอเชื่อมโยงนี่เราเห็นชัดเจนว่าเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่มีวันนี้แล้วก็จะประลบ ก, กันอยู่ด้วยมันเป็นการกระตุ้นเตือนให้สํานึกคุณพระพุทธเจา้าเพราะนั่นกเราได้อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ถูกซื้อ หมายความว่าถ้าเข้ามาถึงประเภทที่เรียกว่าอากามาสัทาเนเป็นความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ตนได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมาแม้แต่ศึกษาผ่านการพิจารณาเนี่ยแต่เราพิจารณาสมเหตุสมผลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ แม้แต่เราอิทธิบาทเข้าไปจับจับอะไรก็ได้นะกินทหารสักคาหนึ่งอาบน้มสักครั้งหนึ่งถูผ้าสักผ้ารีดผ้าอะไรแต่ไรเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของอิทธิบาทนั้นความเข้มข้นมากหรือน้อยแล้วก็ต้องหนุนเนื่องกันอยู่ตลอดวิมังษาเนี่ยจะต้องกํากับทุกเรื่องสิ่งที่ฉันท้าสิ่งที่วิทยาสิ่งที่จิตตะต้องมีวิมังษาก็กํากับไม่งั้น เกิดความบกพร่องเกิดจุด บ, บอดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปภาษาอาจจะเปลี่ยนนะคือภาษาที่ที่เองก็เริ่นสมมติหรอกคือใครจะเรียกอย่างไรก็เรียกได้แต่ว่าเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นสัจธรรมจริงๆฟังแล้วก็ได้สถาปสาท ก็ต่อไปเรียกว่าอาธิคมัสตาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นเพราะเฉพาะตอนคือสัมผัสตรงไหมันเหมือนกับเรากินของเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้ด้วยรสชาติของตัวเองรู้อร่อยไม่อร่อยด้วยตัวเองคือวันหลังไม่ต้องบอกชอบก็ชอบจรินีอร่อยก็อร่อยอยู่นั่นแหละ แต่ตรงนี้ต้องขึ้นถึงพระโสะดาบันขึ้นไปนะครนระดับพระโสะดาบันเนี่ยออกมาฆ่าให้ตายก็ไม่เปลี่ยนนะบอกว่าถ้าไม่ปฏิเสธพระตตรตนณรัยจะยิงให้ตายเลยยิ่งก็ยิงเลยจะนั่งยิ้มไม่ยิงด้วยทําไปจ้างด้วยเงินเป็นร้อยๆล้านก็ไม่เอามีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล นางธนัญชา น, นีเป็นพรหมณีเป็นเมียของพระรัตวาชาพรหมสามีนั้นนับถือพวกพรามปัญญานั้นนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่สาคัญก็คือบรรลุมกผลเป็นพระโสดาบันท่านมีปกติแปลกคืออะไรนี่อดนโมตระไม่ได้เคยทำอะไรท่านก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าของท่านเลย ทำให้สามีนี่มันไส้มากโดยก็สั่งไว้วันหนึ่งเขาจะเลี้ยงพราหม์กันสั่งว่าวันนี้ขอสักวันนะเธออย่าไปกล่าวสันเสริญประสิทธิ์มณะโก ด, โดมต่อหน้าพวกพราหม์ท่านก็บอกไม่รู้สิจะพยายามก็ได้กันประดีท่านนําอาหารมาเลี้ยงพราม์นี่แหละในฐานะพัญญามันเกิดสะดุดมุมเสือ ก็นโมตระเลยพราหมณ์กดูด่าสามีแกแล้วก็ไปเลยแล้วก็เรียกทั้งเป็นหญิงการกินีด้วยนะะพราหม์สามีก็ูด่าโกรธเมียกูไม่จะทำยังไงไปเอาดาบในห้องมาในแจกฟันปัญญาก็บอกก็ควันก็ควันสิคุณก็ฆ่าฉันได้เฉพาะร่างกายแต่คุณฆ่าจิตใจฉันที่มีศรัทธาต่อพระพธธุทธเจ้าไม่ได้หรอก แล้วก็สแสดงอาการไม่หวาดหวัน่นท่านพึงอะไรเลยพราม์เลยงงเลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยก็ไปด่าตพระพุทธเจ้าทีพเจ้าส่งอุปมาให้ฟังเหมือนกับของรับแขกนะฮะว่าคนมาที่บ้านแล้วก็พราหมณ์มีของไปรับแขกแล้วถ้าแขกไม่กินของนั้นของนั้นจะเป็นของใครนะพราหมบอกก็เป็นของแกพระเจ้าบอกเหมือนกันนะที่ด่าทั้งหมดเนี่ยไม่รับหรอก พรามเลยก็ยอมเลยในสูงก็เกิดสัทธานเรื่องใส่นะฮะไปดีกว่าเมียได้อี ก, อกคือบวชบรรุมรผลเป็นพระหันไปเลยเห็นไหมแกเริ่มเป็นมิจฉาธิฏฐิแล้วก็ดูดเดือเดอเดอลือดพลานมาด้วยแต่พอเกิดสัทธานแล้วไปเลยบางทีเนี่ยคนมาเนี่ยพวกสกุลเนี่ยะกุลพรรัตาวาชาเนี่ยหลายคนมาโกรธพระพุทธเจ้าสืบเรื่องจะพรามคนเนี้ย ว่าเอาญาติเขามาบวชลุงเขามาบวชบ้างพี่เขามาบวชบ้างอะไรจะมามาด่าเราพระพุทธเจ้ามากันด้วยวิธีการต่างๆแต่พระท้าทาก็ยอมหมดแล้วก็กลายเป็นพระหันหมดมีท่านผู้หนึ่งเป็นขอทานก็ไม่ไม่คือเป็นโรคเรื้อนนะขอทานนะ่ะก็โรคเรือนชื่อสุภกุทธกุติ ในความพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดา บ, บันถ้าสักักดสงสัยว่าสุภาาัทนะไปไหวจริงหรือเปล่าเลยก็อบทองก็นดิรามิดไปเป็นทองเต็มเล่มเกวียนเลยมหาสุภัทนะบอกว่ารองเป็นพราหมณ์แก่มา บอกว่าเธอปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระธรรมไม่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่เป็นพระธรรมประสงค์ไม่เป็นประสงค์เนี่ยเราจะให้ทองทั้งเล่มเกวียนเนี่ยถูกท่านสุปะพุทธกุฏิดูเอาเลยพุจาอย่างนี้ไม่ได้ก็ดูมิดกันท่านไม่ได้จนท่านรวยท่านรวยด้วยอริยรัพย์ท่านไม่ต้องการเราสาวสมบัติอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์ เห็นไขนาดขอทานนี่ยเขาขูไม่เอาคูให้ฆ่าก็ไม่เอาคูให้ล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่เอาเพราะนั้นศรัทธาตรงนี้มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโสตาปติยังฆะมันเป็นประการมาหึมาที่จะถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปิดประตูนรกเลยนะ จะตัวปาเยหิจวิปะมุตโตพ้นจากอบายทั้งสี่จะจาริธานาเนียภพอกาตุงจะไม่กระทำผิดในหกเรื่องใหญ่ไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าประหันไม่ทำร้ายพระพุทธเจา้าไม่ทำสังฆเภทไม่เปลี่ยนไปนอกถือศาสนาอ่นนี่ก็คือ พวกก็เรียกอธิคมศัทธาเพราะระโสดาบันเนี่ยท่านจึงมีคุณสมบัติในด้านศรัธานะประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะคือองค์กุณของความเป็นปรโสดาบันสี่ประการได้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งแลวพระใจศีขาก็คือสีนสมาธิปัญญา ข้อต่อไปเขาเรียกว่าปัจจขสถาความเชื่อความเลื่อมใสที่ประจักษ์แจ้งแก่ตนเองเพราะได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วทุกงนี้บางทีระดับล่างก็มีนะคือคือเช่นสมมติว่าเราได้เจริญสมาธิมาแล้วก็ได้สมาธิได้ได้ธรรมะจากการปฏิบัติสมาธิหรอได้ผลจากศีล ตลอดถึงได้ได้ได้ผลจากการเจริญวิปัสสนาจนจนถึงบรรลุมรรคผลฌานอะไรตะะไร่างๆเนี่นะ <c oughs> ท่านจะยืนยันได้และท่านจะอธิบายได้ <c oughs> ท่านจะมีความชัดเจนเช่ <c oughs> นสมมติว่าท่าน <c oughs> <c oughs> ไปเจอผีไปเจออมนุษย์อะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> แล้วคนจะพยายามอธิบาย <c oughs> ท่านเห็นว่าไม่มีสิ่งนั้นจริง <c oughs> ท่านฟังนะฮะแต่ท่านไม่ว่าอะไร <c oughs> แต่ท่านไม่เชื่อ เพปัญหาเรื่องของกรรมเรื่องทั้งสารวัตรเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่บางทีในความเชื่อที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังอะไรนีคือเขาสัมผัสเขาจริง่ะแล้วเราจะว่าอย่างไงฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเลาให้ฟังผู้ใหญ่มากซะด้วยนะท่านบอกว่าผมล้งปูแ่แหวนในลุงปูแ่แหวนในมาไม่รู้จักอนะแล้วไม่เลยไปวัดท่าน แต่ก็ได้ยินแต่ข่าวเขาบอกว่าเวลาปรงผมแล้วเขาเก็บผมไว้ต่อมาเวรนี้ขมวดผมนี่ขมวดขมวดเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนก้อนแล้วก็กลายเป็นธาตุใสเขาเห็นเขาเองเขาก็สัทถาเรื่อมใสของเขาแล้วใครจะบอกว่าพระธาตุมีไม่มีเขาก็ไม่สนใจหรอกคนพวกนี้เขาเชื่อ แล้วก็สามารถอธิบายได้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องพระธาตุเนี่ยมีคนเล่าบางคนเนี่ย ก, ก็น่าทึ่งนะครัเพราะเขาเห็นเองเขาสัมผัสก็เองเดี๋ยวคั้งแรกก็เฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมาเป็นคนไม่ค่อยติดใจในเรื่องเหล่านี้คือถ้าเป็นพระธาตุจริงก็ถือว่าธาตุจดีทำไมใช้พระธาตุก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะจะดีแล้วก็กราบถึงพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเราไม่ได้วาไรใคร คือไม่อยากจะไปขัดคออะไรใครเพราะเราไม่รู้นะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่รู้อย่าไปสู่รู้นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้ววันก่อนเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ยังทึ่งอยู่ก็บอกว่ามีคนผูห้หนึ่งเป็นเครื อ, อบดีอยู่ทางหัดใจแล้วก็นิมิตเห็นเป็นหนังสือชื่ออนาลโยและติดตามเรื่องอนาลโยเนี่ยจนไปถึงวัด หลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำของเพลแต่ไปเห็นรูปเห็นอะไรก็เห็นที่แกเห็นในในนิมิต่ในฝันแต่กฏว่าได้ขี้เท่าอังคารของอา จ, จารย์หลวงปู่มามาเก็บรักษาไว้กลายเป็นพระธาตุไอ้บางคนนี้ก็เลื่มใสใหญแ่แล้วก็ใครจะว่าไงก็ว่าไปเลยเขาไม่ทิ้งใครคือดีอย่างนีใครจะไม่เนี่ยใครจะว่าว่า แต่ว่าเขานั้นจะมั่งจะหนักแน่นจะไม่วันไหวแตท่ที่ที่หลักจริงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติส่วนระดับใดนั้นก็แล้วแต่นะแต่ศรัทธาจะหนักแน่นมันคงประการต่อไปเขาเรียกว่าปักขันทศศรัทธาตะกี้เนี่ยเรียกว่าปัจจคตศรัทธานะศรัทธาคือมันลั่นไป เป็นความเชื่อความเลื่อมใสที่ลั่นไปโดยลำดับของผู้ที่เคยผ่านวิปัสนาญาณมาแล้วหมายความว่าวิปัสนาญาณเนี่ยมันมีมีเก้านะฮะตัวิปาานนัสนาญาณแต่ว่าสรุปรวมเบ็ดเส็จทั้งหมดทั้งชุดเขานี่ก็มีมีสิบหกเรียกเป็นญาณสิบหกแล้วท่านที่ปฏิบัติสัมผัสผลมาแล้วเนี่ยใครจะโยกคลอนท่านไม่ได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าตะาแรงแรงก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่ายัางยังไม่ใช่ประเภทที่เรียกว่าอธิคมศัทธาพวกพวกอธิคมศัทธากะวสัจชนะศัทธาเนี่ยจะสำคัญเนืองนั้นก็มีได้หลายระดับวิปัสนาญาณก็คือเกิดญาณผุดขึ้นมาแล้วเห็นความจริงาำกฏของปัจจัยหลักไปตามลาดับนะฮะ ว่าศัจจนาศัทธาความเชื่อความเรื่องสายที่สละกิเลสได้โดยเด็ดขาดเป็นศัทธาของพระอระหรันต์ที่มีความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมท่านเหล่านี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดะนะฮะคือมีความสมบูรณ์คือศัทธานําท่านค้าผู้น้ําคือกิเลสได้แล้วโดยเจนพระศัทธานั้นข้อสําคัญว่าเริ่มตั้งหลักให้ได้เพระาะศัทธามันเป็นฐาน ทีเรียกว่าสัทธาสาธุปฏิทีตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้สำเร็จประโยชน์มันก็เริ่มไปจากนี้แหละเริ่มไปจากภาษาธาตุศรัทธานี่แหละเป็นความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนะีย่ยไปวัวแว่กับพระพุทธเจ้าให้มากไปตั้งแง่ตั้งมุมชาวพุทธเราไม่ชอบคนเนะี่ยอาตมาได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กๆไปตั้งแง่ตั้งมุมกับพระพุทธเจ้ามั่งพระเวสสันดรมั่งอะไรอะไรเนี่ย หาเรื่องสะสมบากด้วยปากเฉยๆมันได้อะไรขึ้นมาวิภาควิจาาณศาสดาที่บริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นน่ะไม่ควรเพื่อการวิจารณ์แต่ประการใดมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะแล้วก็ไม่เป็นสิริมงคลด้วยคือการประทุสร้ายต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์ขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นสิริมงคลอะไร เคยสังเกตคนหลายคนนี่ย น, นะเขียนหนังสือด่าพระแล้วต่อมามีอันเป็นไปหมดอเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรอ่ะพระบางทีเนี่ยเป็นพระยาบุคคลก็ได้เราจะรู้ได้ยังไงชาวบ้านบางคนเนี่ยเป็นพระยาบุคคลก็ได้เราไปรู้ได้ยังไง จะไปด่าไปว่าเขาเพราะฉั้นถ้าศรัทธามันเกิดขึ้นระดับเนี้ยระดับกรรมศรัทธาเนี่ยก็จะช่วยเหลือป้องกันบุคคลไปได้เป็นอันมากโดยเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของกวนรุนบางครั้งอาจจะยังแปล้งยังสับสนอยู่บ้างก็บอกเอ้าคนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างเนี้ย แล้วก็เชื่อตามเทพุทธเจ้าทรงสแสดงมีนักวิจ า, ารณ์เขาวิจ า, ารณ์นะว่าความคิดของชาวพุทธนี่ไม่อิสระอยู่ไปเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ตัวเองเวลาเขียนมันก็เชื่อพลังนะเคยอ่านหนังสือก็โอ้ยผมก็เชื่อว่าหลังเองคี้ปากหลังเอามาเป็นกูรุสเลยแล้วก็อ้างเป็นความเห็นตัวเองเป็นนานานิคมฮะแต่ว่าถ้าเชื่อหลังกับเชื่อพระพุทธเจ้าใครควรเชื่อมากกว่า จะต้องเข้าใจนะยุโรปอเมริกาไม่มีมือระดับศาสดานะต้อเข้าใจอย่างหนึงเลย hm ยุโหรือมือระดับศาสดราในมีแอฟริกามีตะวันออกกลางนะโอ้ตะวันออกกลางเนี่ยกับเอเชียเต่นั้นเองไม่มีหรอกระดับระดับศาสตาเนี่ยยุโรปอเมริกาไม่มีอเมริกานะั่นเพิ่งเกิดนะยุโรปนานมาแล้วแต่ว่าไม่มีมือระดับศาสตา อย่างดีก็แค่นักปราชญาโซโเครติสเพโตเอริตโตเตนอะไรแต่เนี้ยที่เอามายกย่องเฉ ช, ชูกันแต่นั้นเป็นนักคิดที่เฉยไม่จะเกิดจากผลของการปฏิบัติจนสัมผัสโดยตัวเองแต่พระเจ้านั้นสอนจากสัมผัสตรงคำสอนเป็นปฏิเวทโดยสถานะส่งข้อนี้จะต้องสนาเป็นพิเศษทีเดียวต้งังถึงไหน แต่รุวมาพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญอ明นำไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี